อาจารย์ครับการอำมาตย์ ก, การครับผมเจ ร, รันพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับตอนนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยห้าสิบสี่แล้วครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขอโอกาสครับอาจารย์เมื่อเช้าอาจารย์บินาบัดคนเยอะไหมครับวันนี้สามร้อยเก้าสิบกว่าคน อ, อน้อ ย, ห น, อยหน่อยเพราะว่ า, วาหยุดน้ำแพงโอ้น้ำแพงใช่ ใส่ครับประหยัดกันเลยว่าอาจจะเว้นไว้ก่อนครับผมแล้วใส่ทางออนไลน์ลหะครับอาจารย์ก็เหมือนเดิมทางออนไลน์ครับผมแล้วคนไปฟังธัรคนฟังธรรว่าร้อยห้าสิบกว่าวันนี้น้อยหน่อยโดนันที่เจ็ดร้อยกว่าครับ ม, มีหน้าวันนี้ผมก็สังเกตว่าที่เข้ามาตอนนี้ก็ประมาณ อ, อ้อนี้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนล้วครับสร้างถัดออนไลน์มันก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่ต้องขับรถไม่ต้องใช้รถค่ะผมนิรภัยไ ฟ, ฟยังไม่ขึ้นถ้าไฟฟ้าขึ้ น, นอาจจะรถน้อยลงก็ได้โอ้โหควบคุมยากมากเลยนะครับพอาจารย์ของก็แพงขึ้นไปหมดอยู่กันยากจังเลยครับก็ต้องัน้อยสัญโดษครับผม พระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าชีวิตไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าเห็นบางคนพูดบอกว่าชีวิตมีชีวิตเดียวใช้ให้คุ้มอะไรอย่างนี้นครับแล้วก็จะทํำอะไรก็ทําไปหมดเลยครับก็เลยผมฟังแล้วรู้สึกเว่า ม, มันไม่ใช่ก็เลยกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผมก็ถ้าคนไม่ได้ศึกษาทงางศาสนาก็จะคิดว่าชีวิตก็คือร่างกาย เมื่อร่างกายตายชีวิตก็จบสิ้นไปถามีคดีความก็าตามก็ก็สิ้นคดีความไปทําผิดกฎหมายได้ายแรงขนาดไหนพอร่างกายตายไปทางกฎหมายเขาก็ไม่ตามไปเช็คบินแล้วก็เอว่าจบแต่ความเป็นจริงถ้าได้ศึกษาอย่างทางศาสนาศาสนาสอนว่าชีวิตของเรามีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้กัน ส่วนที่เรามองเห็นคือร่างกายและส่วนที่เรามองไม่เห็นก็คือจิตใจถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะรวมจิตใจกับร่างกายไว้เป็นนันเดียวกันเราคิดว่าจิตใจอยู่ในสมองสมองเป็นผู้คิดอะไอย่างๆในทางศาสนาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสินมนนั้นทรงเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นพลังสวรรค์กัน ร่างกายนี่เป็นของชั่วคราวแล้วก็จิตใจนี่เป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้อยู่ในสมองร่างกายตายไปจิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจก็ยังอยู่ต่อแล้วก็จะไปเกิดใหม่เพราะว่าจิตใจยังมีเหตุที่พาให้ไปเกิดใหม่อยู่ในจิตใจก็คือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆ ถ้าก่อนที่จะไม่ได้ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายใหม่ก็ยังต้องไปรับผลของบุญของบาปที่ได้ทําไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าถ้าผลบุญมากกว่าผลบาปก็ไปสวรรค์มันอยู่ในที่ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็จะไปอยู่ในที่ที่เรียกว่าบายที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขจนกว่าบาปและบุญนี้จะหมดกาลัง เพือสามารถมารอเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และพอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ดำเนินชีวิตแบบเคยที่เคยเป็นมานั้นยังในชาติก่อนใช่ก่อนเคยทำบุญทำบาปมากน้อย ก, ก, ก็อยติดเป็นนิสัยมาก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็าตายเกิดตายเกิดไปไเรื่อยๆจนกว่าจะพบกับพุทธ ศ, ศาสนาที่จะสอนให้เรารู้ว่า การเงีนว่าตายเกิดนี้สามารถยุติได้เราสามารถหยุดการเกิดได้ถ้าเรารู้ว่าเหตุสุ่มภัยเกิดคืออะไรซึ่งก็ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงสามารถค้นพบเหตุที่พาให้ดวงจิตดวงใจเรามาเกิดอยู่อย่างต่อเ น, นื่องก็คือตัญหาความอยากความอยากเสพกลามเนี่ยความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสทําให้เราจําเป็นจะต้องมีร่างกาย เพราะร่างกายเป็นเครื่องมือให้ใจได้เสพรูปเสียงกินรสเพราะร่างกายมีตาหูจมูกนิ้งกายจิตจิตใจไม่มีไม่มีตาหูจมูกนิ้งกายแต่ติดเสพติด <inside> ต <for elle> ิดรูปเสียงกิ่นรสเลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือกอเลยต้องมีร่างกายถึงจะเสพรูปเสียงกินรสได้ก็พอาะร่างกายขอที่ตายไป ก็จะไปรอหาร่างกายใหม่จะก่อนจะได้ร่างกายใหม่ก็ต้องผ่านผ่านบุญกับผ่านพุนบุนผลบากมณ์ส่งผลให้อยู่ในภพที่สุขหรือภพที่ทุกข์ที่เป็นโลกทิพเนี่ยภพของเทวดาหร้อภพของเปรตเป็นต้นจนกว่าบุญและบาส น, นั้นได้หมดกําลังลงก็จะได้กลับมารอรับร่างกายใหม่มาเกิด ก็วินว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ <c oughs> เขาจะไม่รู้ว่าเกิดมาได้อย่างไรแล้วตายไปแล้วก็คิดว่าจบถ้าไม่มีใครสอนก็เชื่อมีแค่ร่างกายชีวิตนี้มีแค่ร่างกมมายตายแล้วก็จบเน้นทําอะไรก็ได้ทําบาป ก, ก็ได้ทำบุญก็ได้ถ้าโชคไม่ดีทําบาป ก, กอาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางถ้าโชคดีก็อาจจะไม่ติดก็ได้ ก็เลยคิดหาวิธีหล อ, อเลี่ยงกฎหมายกันทำบาป ก, กันทำผิดกฎหมายกันแต่คอยหาวิธีที่จะสามารถหลีกเลี่ยงโทษได้แล้วาคิดว่าพอตายไปทุกอย่างก็จบไม่มีผลตามมาอีกต่อไปทำบาปทำผิดกฎหมายผิดใต้แรงงาดไหนพอตายไปแล้วกฎหมายเขาก็มาตามจับไปลงโทษเลยนะ ส่วนหน้าวุนเรื่องบาปเรื่องก่อแทงกรรมเรื่องดวงวิญานี้ก็เป็นเรื่องที่เขาไม่รู้กันเรื่องใดอีกเขาก็ไม่เชื่อกันเพราะเขาไม่สามารถไปสู่เทนได้ด้วยตนเองนอกจากว่าเขาจะศึกษาอย่างจริงจังมาแล้วก็จะรู้ว่ามีวิธีที่จะทำให้เราสามารถเห็นดวงจิตดวงใจของเราได้และเกการปฏิบัติจิตตภาวนา ถ้าเรากดดิปฏิบัติจิตตภาวนาเราจะเห็นจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วเราก็จะมีความเห็นเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวจิตใจเป็นของเท้าว่นจิตใจเป็นผู้ทําบุญทําบาปแล้วก็จิตใจจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปและถ้าจิตใจยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภความอยากอยู่ ความอยากนี้ก็จะพาให้ไปเกิดใหม่เรื่อยๆถ้าอยากจะยุติการเกิดก็ต้องยุติความความอยากการยุยติความอยากก็ต้องอาศัยวิธีเนี้ยปฏิบัติธรรมจิตตภาวนาสำาพธาภาวนาทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการมีความอยากนี้ก็จะพาให้ไปเกิดอยู่เรื่อย ถ้าไม่อยากจะเกายก็ต้องหยุดความอยากจิตสามารถอยู่เฉยๆได้ถ้าจิตสงบจิตจะมีความสุขจิตไม่ต้องเสพรูปเสีสยง ก, กิริย์ลดก็ได้อังนนบื้องต้นต้องมีสมาธิก่อนมีความสงบมีความสุขในตัวเองก่อนแล้วค่อยมาสอนใจว่าอย่าไปหาความสุขภายนอกอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียง ก, กิริย์ลดผ่านทางร่างกายเพราะจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือก่อนจะมาเกิดอยื่ได้เลย ถ้าไม่อยากมาเกิดอีกต่อไปก็หยุดเสียรู้เสียงกินรดต่างอยู่กับความสงบไปแทนอันนี่ก็คือเรื่องราวของพวกเราชีวิตของเราทุกคนตายไปแล้วไม่สูญร่างกายตายไปเป็นของชั่วข้าวแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้ทําบุญทําบาปแล้วใจเป็นผู้รับผลบุญผลบาป คนบนก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆคนบาป ก, ก็คือกลับมาถึงเป็นเวลาชานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสูรร่ากายบ้างไปตกนรกบ้างแล้วถ้ายังมีกิเลสความโลภความอยากอยู่ก็จะกลับมาเกิดใหม่ต่อไปอยู่เรื่อยๆนี่นี่คือคำที่เราเรียกกันว่าการเวียนว่ายตายเกิด อาจารย์ครับชอบโดนถามว่าอา่แล้วจะพิสูจน์อย่างไรเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้ปฏิบัติจิตตภาวนาทีานี้ถ้าเราปฏิบัติจนจิตสงบนี้เราจะรู้เองได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์คใช่มันจะยังชั่งว่าจิตกับ ร, ร่างกายมันคนละสว่วนกันอันนี้จิตมันมาอยู่กับร่างกายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมันเป็นร่างกายแต่พอจิตรัรบรับรู้เสียงกลิ่นแล้วจากร่างกายมา แล้วก็ร่างกายก็หายไปจากจิตในครั้งรับรู้ของจิตจิตก็รู้ว่าร่างกายของเราเป็นคนเราส่วนกันตอนนั้นร่างกายจะเจ็บจะปวดยังไงจิตก็ไม่ไม่ได้รับรู้ไม่ได้สนใจเมื่อก่านเวลาจิตจิตไม่สงบจิตจิตอยู่กับร่างกายเวลาอะไรมาแตะร่างกายหน่ะจิตก็สะดุ้งขึ้นก่นเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าจิตสงบแล้วเนี่ย อะไรมาแต่ร่างกายจิตไม่สะดุ้งจิตเฉยๆจิตจะสามารถแยกจิตออกจากร่างกายได้อย่าง ว, ว่ายากได้ยากได้ชั่ ว, วคราวเพราะกําลังของสติ ท, ที่แยกนี้มีจํานวนจํากัดแยกในชั่วคราวก็วต้องกลับมารวมกันใหม่ออกจากสนาที่มาจิตจะมารวมกับร้างกายจิกก็ยัง ก็กับาคิดเหมือนเดิมว่าจิตกับร่างกายเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตอนนี้ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าจิตกับร่างกายมันกำลังสวนกันร่างกายอ เ, เป็นอะไรจะเจ็บจะปวดจิตสามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องปวดตามร่างกายได้แต่ต้องฝึกหม่อยพราะิสัยเดิมเพราะร่างกายเจ็บปุ๊บจิตไม่ควรจะเจ็บตามด้ว อาจารย์พบพวกพรามพวกฤาษีนี่เขาก็เขาก็รู้เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ยจิตตายร่างกายตายไปจิตเขาก็จะไปสู่สวรรค์ท่า น, นึ่างตา่างแต่ว่าเขายังไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดการไปเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าเหตุอะไรที่พารามไปเกิดใหม่ ต้องมีโอเจ้ษษามาตัดสินความตันหา ค, ความอยากกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับพระอาจารย์ครับมีคุณย่าคอมเมนต์ครับบอกว่าความตายคงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครั้งใหม่ถ้ายังมีกิเลสเป็นยางเหนียวอยู่ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับใช่ต้อเป็นเกิดใหม่ แต่ก่อนจะเป็นเกิดใหม่ก็ต้องไปใช้บุญใช้บาป ก, ก่แล้วผลบุญผลบาป ก, ก่อนแล้วแต่ว่าส่วนไหนมีพลังมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบุญก็จะดึงไปสวรค์ถ้าบาปมากกว่าบาปก็จะดึงไปอาบายดังนั้นกำลังของบุญหรืบาหมดกําลังลงก็จะมารอรับร่าง ก, กายใหม่ของมนุษย์ต่อไปเปน็นร่างต้นชีวิตใหม่แต่ก็แบบเดิมพที่สาญมันไม่เปลี่ยนคนเดิมยายบ้านย้ายบ้าน มันก็ไม่ได้เปลี่ยนนิส yeah. ัยของคนเก่าคนเก่าที่มาเมื่เกิดหมาก็ขี้เมาเหมือนเดิมถ้าขี้เกียจเมื่อเกิดหม่ก็ขี้เกียจเหมือนเดิมครับทําไมคนเราถึงมีความแตกต่างกันบางคนขี้เกียจบางคนขยันบางคนฉลาดบางคนนู่นเพราะของเรานี่มันอยู่ในจิตของแต่ละคนไงมันมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยของวิธีทำแนวทางมันเป็นนิสัยสัมดารณ์พอมาเปลี่ยนร่างกายใหม่ ทั้งดานเดิมมันก็มันก็มันก็พาให้รางกาเป็นเหมือนเหมือนกับชาติก่อ น, ช, อนชาติก่อนเคขี้เกียจชาตินี้ก็มาขี้เกียจต่อชาัิชาติก่อนมีความรู้ความเฉลาดชาตินี้ก็ยังมามีความช่วความฉล า, า, าดต่ออาจารย์ถ้าจะเปลี่ยนทิศใจต้องเจอครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับเดี๋วยวถึงจะได้ก็มี ก็มีมีหลายหลายเหตุด้วยกันถ้าไม่เกิดในครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ฉลาดเขาก็จะสอนให้เราฉลาด้ครตอนที่เราเป็นเด็กคังเกตดูถ้าครอบครัวของพ่อแม่เป็นหมอเงี้ยจะสอนให้ลูกเป็นหมอได้แต่ถ้าครอบครัวเป็นชาวนาชาวไร่นี่ไม่สามารถสอนให้ลูกไปเป็นหมอได้นอกจากลูกมีมีทุนเดิมอยู่เองเป็นคนรู้ข่าวฉลาดอยู่ในตัวของเองสามารถ คุ้นคลายไปเป็นหมอได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเ้อให้พ่อแม่สิ่งแวดล้มช่วยมันไม่มีสิ่งแว้แล้วมันช่วยมันต้องอาศัยทุนเดิมถ้าไม่มีทุนเดิมก็มไม่ได้ไปเป็นหมอการนอนสวดมนต์อย่างตั้งใจได้บุญต่างจากการนั่งสวดมนต์ไหมครับคือส่วนใหญ่มันจะหลับนอนสวดมนมันจะหลับ มันจะไม่ได้บุญมันไม่ได้ความสบบไม่ได้สมาธิแต่อยากจะได้นสมาธิต้องนั่งสมาธิเพราะมันจะหลับยากกว่าการรักษาศี่ห้ากับการฟังธรรมบุญอย่างไหนได้มากกว่ากันครับบุญก็เลยย่างกันเหมือนซื้อซื้อรถยนต์กับซื้อจักรยานเนี่ยคนละคนละชนิดกัน บุญที่เกิดจากการรักษาศีลห้าก็จะปิดประตูบายถ้าเราไม่ทําบาปตายไปเราก็ไม่ได้ไปรับใช้ผลบาปใ น, นบ่ายแบุญที่เกิดจากการนันวันนี้อีกข้อ น, นึงการฟังธรรมครับ่าจารย์ครับบุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็จะทําให้เราเกิดมีปัญญาความรู้ความเฉลียวรู้ผิดรู้ถูกรู้ว่าการทําบุญนี้เป็นคนเป็นประโยชน์ต่อจิตใจ ท, ทําบาปเป็นโทษต่อจิตใจ ท, ทําบาปแล้วจะทําให้ใจทุกข์ บมจะทำให้ใจสุขอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความฉลาดความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอะไรต่างการฟังธรรมมันมีอันที่สองต้อห้าประการด้วยกันหือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นวันนี้เราฝังเรื่องตายแล้วชีวิตยังไม่จบที่มีความตาย ถ้าไม่เคยฟังมาก่อนก็จะไม่รู้ว่าชีวิตเรานี้คิดว่าตายแล้วศูนยตายแล้วจบนะแต่ถ้าฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าชีวิตนี้ยังไม่ตายยังไม่จบร่างกายตายแต่ชีวิตเราต้องเดินต่อไปเพราะจิตผู้เป็นเป็นตัวหลักของชีวิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน แล้วถ้าเคยได้ยินได้ฟังแล้วฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทําให้หายสงสัยในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์เวรไม้ต า, ายเกิดได้แล้วก็จะทําให้จิตสงบผง่องใสเวลาฟังธรรมนี่ทําเป็นอารมณ์ที่จะทําให้ใจเย็นทําให้ใจเนิ่งทําให้ใจสงบได้แล้วก็สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง เปนาบาปไม่จริงบุญไม่จริงนโลกสวรรค์ม่จริงการเว้นวาตาเกิดไม่จริงการสิ้นสุดเชนการเกิดแก่เจะเว้นวาาตายเกิดก็มีจริงคือพระนิพพานออก็อ น, นี้คือประโยชน์ที่ไดรับจากการพังทลายซึ่งนักษาศนลจะไม่ได้รับประโยชน์เหล่านี้นักษาศีลก็เพียงแต่จะปิดปิดประตูบายตายไปแล้วไม่ต้องไปรับผลมุู่ในบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉาไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นวสุ ร, รกายแล้วไปตกนรก การเข้าฌานสามารถเข้าได้ในอุรยาบทใดได้บ้างหรือว่าจะต้องนั่งอย่างเดียวถึงจะเข้าฌานได้ครับส่วนใหญ่ต้องนั่งเฉยๆใจตรงนี้ร่างกายต้องนิ่งก่อนใจถึงจะเข้าเข้าสู่ความสงบได้ถ้าร่างกายยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นี่ใจยังต้องทํางานอยู่ใจต้องใจเป็นผู้วงการการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อมีการเคลื่อนไหวทางใจใจก็จะไม่นิ่งจะเข้าฌานไม่ได้ ยังต้องยุดยตีการบาร่งการร่างกายก่อนปล่อยให้ร่างกายอยู่เฉยๆนั่งนั่งก็ได้ยื้ยืนก็ได้นอนก็ได้เวลาท่าที่มันสบายที่สุดในสามท่านนี่ก็คือท่านั่งยืนไปนานๆเนี่ยมันก็เมื่อยไม่แมข็งมันขาท่านอนมันก็จะหลับเก็เลยนิยมนั่งสมาธินท่านั่งกันเวลาอยากเข้าชานก็สังเกตุพระพุทธรูปสิส่วนใหญ่จะอยู่ในท่านั่งสมาธิว่า การสมาธิการปล่อยปลาหน้าเขียงให้ทานกับคนยากจนได้บุญเป็นการทำทานใช่ไหมครับก็เป็นการเสียสละแบ่งปันเงินทองของเราแต่ประโยชน์ที่ได้มันต่างกันก็คือถ้าเราช่วยชีวิตปลามันก็ปลาก็ได้ประโยชน์ไปถ้าเราช่วยคนจนคนจนก็ได้ประโยชน์ไปแต่คนให้นี้ก็ได้บุญเท่ากัน ถ้าปริมาณเสียสละรือสับที่เสียไปเท่ากันความรู้สึกสุขใจหิมใจก็จะเหมือนกันถ้าไปสวรรค์ก็ไปสวรรชั้นเดียวกันการทําสมาธิทําไปเพื่ออะไรครับเพื่อความสุขเนความสุขที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวงถ้าใครอยาเข้าถึงสมาธิเราจะทิ้งหมดได้จะไม่บวชได้และประกันหน้จะไม่อยู่หางกันนะทำให้เด่นเด เพราะความสุขที่มันได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านนี่มันสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็สรางราชสมบัติเนีขออกาสครับช่วงนี้อากาศร้อนขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าอะไรคือทางสายกลางในการปฏิบัติเช่น นั่งสมาธิในห้องแอร์เปิดเครื่องฟอกอากาศจะทําให้ภาวนาไม่ก้าวหน้าไหมครับหรือต้องนั่งสมาธิกลางแดดฝุ่นหนาๆหนูไม่เข้าใจครับก็อยู่กับกําลังของเราว่าเราจะมีกวามอดทนมากน้อยเพียงไรถ้าเรามีกวามอดทนน้อยเราจะต้องอาศัยเครื่องช่วยบันเทาอุปสรรคก่อนเช่นความร้อนอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความอดทนมากเราสามารถทนกับอากาศร้อนได้เราก็จะ ไม่ต้องเปิดนะฮะไม่ต้องเปิดแอรคือโดยหลักเราต้องการปฏิบัติแบบธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราไม่ต้องการเพื่งพาอาศัยอะไรต่างๆทั้งหมดภายในเรามันต้องการใช้สติปัญญาของเราท่านั้นเป็นตัวที่จะพัฒนาจิตใจให้สงบให้จะลาดการไปอาศัยสิ่งภายนอกมันเป็นของไม่แน่นอนเวลาไปนั่งอยู่ห้องแมรอยู่เป็นประจำถ้าเกิดวันได้วันหนึ่ง เครื่องเสียงเครื่องแอรเสียงก็นั่งไม่ได้นะแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในสภาพธรรมชาติร้อนก็ได้ย็นก็หนาวก็ได้ก็จะไม่ต้องมากังวลกับการเปลี่ยนแปลงของของอุณหภูมิของเหตการต่างๆงั้นนั่งปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเขาจะเขาจะเอาแบบธรรมชาติไม่ต้องการมีอะไรมาไปเครื่องเสริมพระธรรพณ์ีนด่านเดิน แบบกดไปอยู่ในป่าเนี่ยกับธรรมชาติฝนตกแดดออกหนาวเย็นเ้าถ้าก็หันอยู่กันไปอาจจะมีใช้เครื่องบนเทาบ้างด้วหลถ้าหนามากๆก็มีพ้าชีวรไว้ห่มแต่ไม่ได้แบบแบบต้องมีห้องรมเครื่องทำคําร้อนอะไราจะไม่อาศัยสิ่งภายนอก มีคนทำให้เราโกรธครับแต่เราเก็บความรู้สึกโกรธไว้ไม่ระบายออกไปเราบอกไม่ครับแต่ว่ามีใจขุนมัวครับถ้าเราไม่ได้ทาไมไ่พูดร้ายทำร้ายใครมันก็ไม่บอาในใจเรายัางทุกอยู่เพราะว่าเรายัางไม่รู้จักวิธีหยุดหยุดความโกรธที่มีใน ใ, นในใจเราอยู่ถ้าเรารู้จักวิธีเราก็จะสามารถดับความโกรธได้ด้วยใจเราจะรู้สึกเฉย ก่อนนอนสวดนาโมสามจบแล้วแผ่เมตตาเลยได้ไหมครับไม่มีข้อห้ามเองแต่ว่าถามทาไมทําไมนะนี่ทํำไปทําไมได้อะไรจากการทําแค่นี้ทําได้แต่ไม่ได้เลยรเท่าไหร่หรอกสมาธิก็ไม่ได้สติก็ไม่ได้แค่แวัดเดียวคนที่คิดฆ่าตัวตายจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างครับ ก็เหมือนค่าค่าพูดองนี้กนะ็ต้องไปตกนรกเดือนนี้เดือนเกิดครับคุณแก้วนะครับพิจารณาความตายอยู่เสมอขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยอือพรให้ตายอย่างมีสติของพระอาจารย์ก็อันนี้ต้องฝึกสติตลอดเวลาบนอยู่บนประจำ่งสมาธิบ่อย แล้วพอเวลาจะตายนี่มันก็จะมีสติมีสมาธิมาช่วยรับใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เครียดไม่ให้ปวดต้องทําอยู่เป็นประจำต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆอาจารย์ครับเมื่อที่สองอาทิตย์ก่อนผมไปมีดนดมยาสลบครับก็ก็นก็นอนพุทโธพุทโธดูว่าจะได้กี่ลงครับอาจารย์ลองเปรียบตัวเองว่าเดี๋ยวจะหลับอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ได้ไม่ถึงสิบทีก็ไปแล้วก็นหลับ ใชครับเราหลับไปแล้วทุกคืนนอนแล้วก็พุทโธพุทโธไปเลยเดี๋ยวเดียวก็หลับครับถ้าลูกพูดไม่ดีกับแม่แต่ว่าแม่อโหสิกรรมให้ลูกลูกยังจะบาปอยู่ไหมครับบาปอโหสิกรรมนี่เป็นการระงับการจองเวรท่านั่นเองไม่จองเวรกันแต่คนจะทําบาปก็ยังต้องรับผลบาป เคยคุยกับพระที่เป็นด็อกเตอร์ทางวิศวะเคยบวชที่วัดยานตอนนี้ท่านศึกแล้วท่านปรารถนาพุทธภูมิผมฟังเทพเรื่องพุทธภูมิจากพระอาจารย์เข้าใจแล้วว่าไม่ควรรอน้ำบ่อหน้าอันนี้เป็นเรื่องความหลงหรือว่าเป็นวาสนาบารมีของเขาครับกอไม่อยากจะตัดสินใจไม่ตัดสินเป็นเรื่องของเขาแล้วกันจะเป็นความหลงหรือเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เมื่อมีทางอไป ไอ้เมื่อถ้าเราไม่ไม่สบายไม่หมอจะรักษาเราให้เรากับเราแล้วเราบจะขอรักษาเองหมอจะทำยังไงหมอเขาบอกรักษาคุณคุณอยากจะรักษาเองคุณก็ไปศึกษาวิธีรักษาของคุณเองก็แลันแต่ถ้าไม่มีหมอมาม า, มาสอนวิธีรักษาให้กับคุณได้นะคุณไม่เอาคุณอยากจะไปเรียนเองไปค้นคว้าหาความรู้เองอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแล้วชีวิตใกล้าตาย จิตคิดถึงสิ่งใดสิ่งเป็นสิ่งนั้นเป็นภพใช่ไหมครับไม่ใช่เราคิดถึงสวรรค์เนื่นจะเป็นภพขึ้นมานไม่ใช่สวรรค์เนื่องรกมันอยู่ที่บุญหรือบาป ท, ที่เราได้ทําสะสมไว้ในใจของเราการนั่งสมาธิถ้าเราเปิดฟังเทศระหว่างนั่งสมาธิไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําทให้ใจเราสงบแต่แไม่ได้สงบ อ, อย่างเต็มที่นะ สงบแล้วั็จับความพุ้งสา้างความคิดปรุงแต่งต่างๆใจจะเบาจะเย็นจะสบายแต่ยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่แต่ไม่แบบไม่ไม่นแรงแต่ไม่รวมเป็นชาญขึ้นมาได้จากการทาทั้งคุณพัชรวัตรครับทุกวันนี้ลูกยังระลึกถึงการที่จะได้กลับไปสู่เพศมันปชิตอีกสักครั้งครับ เพื่อสู่จุดหมายปลายทางแห่งความสงบที่แท้จริงครับกรณีเช่นนี้ลูกปล่อยวางได้ใช่ไหมครับปล่อยวางอะไรไม่ทราบไม่เข้าใจคุณกัญญาบอกว่าถ้าตายจริงสามวันก็เน่าไม่ใส่ฟอร์มาลินไม่ใช้ลงเย็นใส่แค่ลงเปล่าตายจริงแต่ก่อนเน่าใหม่จิตหรือสมองที่ความที่ความคิดยังยเล่นอยู่คงคลกิจ กิจกรรมที่ทําบ่อยๆหรือจิตติดอยู่กับยังจิตอยู่การงานจิตคิดถึงลูกจิตหาที่ยึดเพราะกลัวเพราะทรมานก่อนตายจนกว่าจะเน่าจนกว่าจะแข็งใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกจิตกับร่างกายเรื่องกันตั้งแต่ตอนนี่มวหายใจหมดจิตไปทางร่างกายไปทางมไม่เกี่ยวข้องกันมันอย่างร้างกันซะเอภรรยาพอเซนมาหยาใส่เข้าไป ลงอำเภอไปก็ไปคนละทางคุณไปข้างหน้าฉันไปข้างหลังนครับถ้าก่อนตายไม่นึกถึงอะไรใจว่างๆกับการที่นึกถึงบุญที่ได้ทําไว้ตอนมีชีวิตหลังความตายจะไปยังไงครับอย่าไปนึกเลยมันไม่ใช่เรื่องของความนึกมันนึืของบุญและบาป ท, ที่เราได้สะสมไว้ในใจของเราเหตนั้นถ้าอยากจะไปดีรีบสะสมบุญให้มากกว่าบาปถ้าอยากจะไปไม่ดีก็ทําบาปให้มากกว่าบุญ ถึงเวลานั้นมันเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับอาารย์มันเหมือนบัญชีในธนาคารเรานะมีบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้อย่างเงี้ยแล้วมันนัาคิดว่าขอให้บัญชีเงินฝากเรามากกว่าบัญชีเงินกู้มันคิดยังไงก็เป็นไปตามคําเป็นจริงไม่ได้ถ้าคํามเป็นจริงมันมันมันมันมันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเยอไหมอ่าดังคำนักคิดนั่นน่ะมาเปลี่ยนสภาพของจิตใจว่าจะไปอยู่ในพบไหนอันนี้ ตัวที่จะมาเปลี่ยนก็คือกรรมนี่แหละคือบุญหรือบาปเนี่ยตอนนี้ยังเปลี่ยนได้ชอบตอนนี้มีบาปมั้ยมีบาป ม, มากกว่า บ, บุญตอนนี้รียกทำบุญให้มันมากกว่า บ, บาปไหมกนะ็พอตายมีบาปบุญก็จะมีกํกลาลังมากกว่า บ, บาปบุญก็จะเดินไปสวรรค์ได้แต่มานั่งนึกคิดตอนตายว่านึกถึงสวรรค์ฉันจะไปสวรรค์นนะนึกไปยังไงมันก็ไม่มีทางอยู่มาบำบัดก็เขาไม่ฟัง เราเช็คดูบัญชีวบุญมามากกว่ากันบุญมากฝ่ายไปสวรรค์มามากฝ่ากเไปอบายเขาถามพระอาจารย์ครับจิตกับวิญญาณนี้ใช้ตัวเดียวกันไหมครับก็เราเราเราเปลี่ยนชื่ออะนะเวลาที่อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตตัวรู้เนี่ธาตุรู้เนี่ยเวลามีร่างกายเราก็เรียกเป็นจิตเป็นใจจิตใจ พอเวลาที่ร่างกายแยกแยกออกจากร่างก า, ายร่างกายตายไปเหลือแต่จิตวิญญาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาโณโยมวิญญาณตัวเดียวกันว่าตอนใกล้ตายค่อยเอาจริงได้ใช่ไหมครับมันก็เหมือนเราทั้งเรียนจะสอบเท่ า, าอะไรเลื่อวันมันวันก่อนจะสอบ้วเข้ามาดูหนังสืออย่างจริงจังหนึ่ง นบยากันอย่างเต็มที่ไม่ต้องนอนกันเลยเรียนเดวกันให้เข้มเลยหนึ่งคืนก่อนที่จะเข้าห้องสอบเนี่ยเรีจะทำได้นะถ้าทำได้ก็ดีไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนทั้งปีให้เหนื่อยยากสติระลึกรู้ตลอดตัวตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ธาตุรู้หรือเปล่าครับไม่ใช่ เรือสติก็คือตัวหนึ่งให้ท่านรู้ไม่ให้ไหลไปกับกระแสของความคิดให้ผูกท่านรู้ตัวรู้นี่ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันจะได้ตั้งมั่นตรจะได้สงบได้ตอนนี้ตัวรู้มันไม่สงบมันไหลไปกับความคิดต่างๆมันก็เลยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาถ้าเราการให้ตัวรู้นี้สงบไม่วุ่นวายก็ต้องผูกมันไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ ใสติเป็นเชื่อผูกไว้แล้ว ร, รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์นี้ฉันพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นต้นคุณสมเกียรติครับบอกว่าการเดินจงกรมเดินนานๆเห็นความเมื่อยเห็นความขี้เกียจทําอย่างไรให้เดินต่อได้อย่างมีฉันทะจริงๆดูเป็นการฝืนเดินอยู่ครับต้องมีสติตลอดเวลาถ้ามีสติแล้ว จะรู้สึกว่าร่างกายนี้เบาเดินแล้วรู้สึกไม่ค่อยไม่เหนื่อยเพราะว่าจิตมีพลังขึ้นมาตัวที่จะทำให้จิตมีพลังก็คือสติเวลาเดินนี้ต้องบริกรรมพุโทโธไปตลอดเวลาถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้การเฝ้าอยู่เท้าเดินก็เฝ้าดูเท้าไป <c oughs> แต่อยา่าปล่อยให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความคิดนี้จะบั่นทอนกําลังของใจจะทําให้ไม่มีกําลังที่จะเดิน การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากได้บุญเหมือนกับการไปทำบุญไหมครับก็อย่างที่บอกว่าได้บุญเหมือนกันแต่ต้องปริมาณเสียสละต้องเท่ากันเช่นช่วยเขาห้าพันทำบุญห้าพันที่วัดกับไปช่วยเหลือนคนยากจนห้าพันอนนี้ถ้าปริมาณเจียสระเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักใช่ไหมครับ ก็ถือว่าหกว่าค่าคนอื่นนะยกเว้นคนที่มีพระคุณกับเราเช่นบุคคลที่เราค่าเราถือว่าเป็นบาปหนักที่สุดก็คือพ่อแม่พ่อ า, านแม่แล้วก็พ่อมาแล้วก็ทําให้สมแต่แยกหรือทํำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือดนี่เป็นงานการทาที่เรียกว่าอนันตอริยกรรมบบาปหนักที่สุดนองลงมาคือฆ่าตัวเราเองะ เพรตัวเราเองนี้มันก็เป็นร่างกายเป็นของที่เรารักประสนวนที่สุดแต่เรากลับมาฆ่าได้แสดงว่าใจเรานี่หลงมากวิปลาสมากตามที่บอกว่าร่างกายป่วยแต่จิตสามารถแยกแยะให้ไม่ทุกข์ไปตามร่างกายได้แต่ถ้าจิตป่วยเช่นเป็นซึมเศร้าจะแก้ไขได้อย่างไรครับก็รักษาด้วยสติไงทำจิตให้สงบแล้วก็จะหายซึมเศร้า นำสมาธิใบถ้าจิตสงบเมื่อไหร่อาการซึงเศร้าก็จะหายไปจิตก็จะสดใสเบิกบานขึ้นถ้าชาติหน้ามีจริงขอไม่เกิดอีกแล้วจะมีผลดังที่คิดไว้ไหมครับไม่ได้หรอขอไม่ได้ของพวกนี้ต้องเป็นละนาสแห็นที่ทำให้มันเกิดก็คือตัณหาความอยากต่างๆในทางพระพุทธศาสนา คนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรถือว่าเป็นผู้หมดกรรมเร็วใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกกรรมไม่หมดหรอกกรรมก็ยังมีอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่อาจจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ไมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมทางสายกลางในทางธรรมกับการปล่อยวางมีความต่างกันไหมครับ คือการทางสายการที่ท่านเป็นทางที่พระเจ้าได้ทรงตัดสนแล้วพบว่าการดับความทุกข์ด้วยระดับด้วยในวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาซึ่งต่างจากทางสุดตรงสองทางคือทางใช้ความสุขจากการเสื่อมโยนเสียงกินลดระดั บ, ดบซึ่งดับไม่ได้หรือใช้การทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆทิ่มแต่ ง, ต ง, ตงให้ร่างกายเจ็บปวดแล้วคิดว่าจะทําให้ความทุกข์ในใจหมดไปก็ไม่หมดเหมือนกัน ทางสายการก็คือทางระหว่างสองสองทางนี้ก็คือทางแห่งสายมัจฉินสมาธิปัญญาหรือมัจแปดนี่ส่วนปล่อยวางนี่ก็คือปล่อยวางคือใจวางเฉยอยู่เฉยเฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจนี่แรียกว่ากานปล่อยวางแต่ไม่ได้ปล่อยวางความราับผิดชอบมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไป ร่างกายก็มีหน้าที่ดูแลไปก็ดูแลไปใช่ไหมร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็เฉยเฉยไม่ได้ดีใจไปเสียใจไปกับความทุกข์ความสุขของร่างกายการนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องสวดมนต์ก่อนทุกครั้งไหมครับก็แล้วแต่ว่าเรานั่งนั่งลมไม่ได้นั่งบริกรรมพุทโธไม่ได้ใจคิดมากก็ใช้การสวดมนต์ช่วยบรรเทาความคิดมากให้ ให้น้อยลงไปก่อนจนเราสามารถมาดูลงหน้าบริการพูดถัว่วได้แล้วก็มันหยุดส่วนได้หรือว่าถ้าเรานั่งแป๊บเราดูลมหน้าบริการพูดถัว่วไดเราก็ไม่ต้องสวยก็ได้คนที่สอนธรรมะแต่ยังไปทําสัญญกรรมหน้าให้ไม่แก่แบบนี้เราจะเชื่อถือเขาได้ไหมครับก็รัตดาวเขาสอนอะไรเลย คนที่เคยมีชีวิตที่ดีแต่พอตกตำ่ำหรือมีปัญหาแล้วฆ่าตัวตายเป็นเพราะสติหรือว่าเป็นเพราะกรรมเก่าครับเพราะคิดผิดเนี่ยเพราะหลงผิดไปคิดว่าการฆ่าตัวตายจะทำให้ความทุกข์หายไปก็เหมือนกับวิธีปฏิบัติที่ทงสุดตรงทางหนึ่งคือการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆคิดว่าทำแล้วความทุกข์ทรมานใจจะหายไปมันไม่หาย ความทุกข์ทรมานใจมันอยู่ในใจเกิดจากตัณหาความอยากไม่ได้เกิดจากร่างกายเป็นเลยการฆ้าร่างกายก็ฆ่าผิดคนผู้ที่แล้วผู้ที่ทต้องถูกฆ่าคือกิเลสความอยากต่างๆนะครับถ้าหยุดความอยากละความอยากหน้าความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปก็จะไม่คิดจะฆ่าตัวตายในสี่เวลา เ, เปล่า การที่เรานั่งสมาธินั่งไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกวูบเหมือนตกลงมาจากที่สูงเราจะต้องทํายังไงต่อครับถ้ามันตงนก็รู้เฉยๆไปถ้ามันต้กแเรามันนิ่งเฉยๆมีความสุขก็สแสดงว่าจิตสงบถ้ายัางไม่สงบยังคิดปูแต่งอยู่ก็ต้องทาภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไป ผมทำวัดเย็นวัดป่าปกติแล้วเกิดอาการสตร o ไม่ได้สตินอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนตอนเช้าไม่ได้ลงปาติโม่ตอนนี้รักษาตัวที่บ้านได้สามวันอาการยังไม่ปกติดีผมควรไปทำหน้าที่พระที่วัดแต่ลดงานวัดลงใช่ไหมครับก็แล้วแต่คุณจะพิจารณากั น, นแล้กันคนเสียชีวิต แล้วจำเป็นไหมครับที่จะต้องสวดพระอภิธรรมครับไม่จำเป็นออันนี้เป็นธรรมเนียมที่ทำตามกันมาสันโดษกับอุเบกขาต่างกันอย่างไรครับกลาบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับสันโดษก็ยินดีตามมีตามเกิดน้อยก็ได้หนาวก็ได้เย็นก็ได้ซึ่งมันก็เป็นผลจากการมีอุเบกขาเนี่ย ถ้จเป็นโอเบขาแล้วเจตจะวางเฉยกับทุกอย่างได้ยินดีตามมีตามเกิดได้เพฉะนั้นถ้าอยากจะมีสันโดษที่แท้จริงต้องฝึกสมาธิให้ได้ฌานสีได้โอเบคาพอมีโอเบคาแล้วก็จะสันโดษจะไม่ชู้จี้จุกจิงจะไม่เรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ยินดีตามมีตามเกิดได้เข้าะใจมีความสุขในตัวของมันเองมันไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับมัน อาจารย์รับสันโดษกับบักน้อยนี่อะไรหนักกว่ากันครับอาจารย์ครับก็สันโดษนี่หนักยงจะยัง จ, จะมากกว่าจะจะแรงกว่ามักน้อยบักน้อยนี่เราก็ยังยังสามารถเลิกได้อย่างน้อยน้อยแค่เท่าไหร่สันโดดถ้ามันน้อยกว่าน้อยก็ยังยินดีอยู่ ทำมน้อยถ้ามันน้อยน้อยเกิดไปไม่พอมันก็ย้ไปหามาให้มันอในกรอบของความมากน้อยก็คือเพราะคําเช่นปัจจัยสีมันต้องมีถ้าใครกินข้าวแล้ววันน้ำวันน้ำวันน้ำวันน้จานนี้ในสแต่วันใดข้าวไม่พอเหลือครึ่งจานเนี้ยความม้องมันกาจะว่าไม่พอมพรามานของเราก็คือแค่จานหนึ่งก็จะอาจจะไปหามาเพิ่ม ให้กินได้เท่ากับความน้อยที่เราตั้งไว้แต่ถ้าถันโดยก็ครึ่งจา่ายกเป็นจา่ายสองจา่ายก็ได้แล้วแต่ครับจะทํายังไงในวันที่คนรักทําร้ายจิตใ จ, จทิ้งไปโดยไม่มีคํากล่าวว่าครับอาจารย์เดียวเขาตาจากเราไปก็แล้กันไม่ชช่กันเลยเขาต้องตาจากเราไปอยู่ดีวันในวันหนึ่งข้างหน้ เห็นเพื่อนร่วม ง, งานคนหนึ่งเป็นคนตรงๆพูดตรงแข็งๆทื่อๆโดนเอาเปรียบตลอดทั้งโยนงานขยะมาให้ทําหัวหน้าพยายามเอาคนนี้ออกโดนแกล้งทุกอย่างและทั้งลําเอียงทั้งน้างคนที่เอาใจเก่งทุกอย่างอย่างนี้หัวหน้าคนนี้บาปไหมครับก็ <S <S ไปทำายผูทอื่นก็มันก็บาปนะไปยังมันมีน ม, มีคําหนักเบาว่าหนักบาปขนาดไหนนั่นเอง มีบาปมากบาปน้อยกึ อ, อยู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบคุคคลที่ถูกถูกกระทำลูกไม่กระตันยูพูดหยาบคายกับพ่อแม่พ่อแม่ออกจากบ้านเขียนไม่จบเขียแค่นี้เครับอาจารย์ครับพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านครับจะแก้ไขอย่างไรครับแก้ไขให้ลูกอะ ถามอย่างนี้ยครับอาจารย์ครับลูกไม่กระตันยูครับพูดหยาบคายกับพ่อแม่จนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านจะแก้ไขอย่างไรให้ดีขึ้นครับก็ต้องก็ทําตัวให้มีความกระตันยูขึ้นมาที่เขาไล่ไปเพราะว่าความไม่มีความกระตันยูเมื่อเรารู้ว่านี่คือข้อบอกพร่องของเราเราก็าแก้ไขทําตัวให้เป็นมีความกระตันยูสานึกในพระคุณของผู้มีพระคุณของเรา เราตอบแทนบุญคุณเท่าที่เราสามารถทำได้ที่บ้านเลี้ยงหมาแมวครับอยากส่งให้หมาแมวไปพบภูมิที่ดีจะต้องทำบุญให้เขาอย่างไรครับก็ทำบุญที่ไปทั้งนั้นเองเวลาเราทำให้กับคนถ้ามีคนปรามาศพระอริยเจ้าที่ละสังขารไปแล้ว เขาจะได้รับกรรมไหมครับไม่ทราบเหมืนอนกันนะเขาจะได้รับกรรมยังไงการศึกษาพระธรรมคําสอนจากหนังสือประวัติพระอริยสงฆ์ทําให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแต่มีความแตกต่างในแนวปฏิบัติธรรมครับในแต่ละพร ะ, พระองค์ครับอาจารย์ก็เราจะได้เรียรวิธีต่างๆที่ไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนนี้อาจจะมีวิธี อุบาวิธีปฏิบัติของด่ราคนไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะเอามาปรับใช้กับเราปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขไม่ต้องการเข้าสังคมไม่คบใครเพราะวุ่นวายไม่สงบอย่างนี้ผิดปกติไหมครับไม่หรอกนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างนี้จะทำให้เราเิดตัวออกจากสังคมไปเพราะสังคมนี้เป็นกองทุกข์ ในสังคงมเป็นแต่เรื่องเรื่องราวต่างๆอยู่ตลาดเวลาพอไปอยู่คนเดียวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคงมก็จะไม่ตามมาก็จะอยู่กับความเย็นอยู่ควาสมสงบความสบายใจคุณเอกวิทย์บอกว่าผมไปวัดป่าบ้านตาดครับเห็นคุณธรรมประทันอยู่ของหลวงปุรีท่านทําตัวเหมือนเนนน้อยเวลาอยู่ต่อหน้าหลวงตาหรือหลวงพ่อสุดใจท่านเป็นคนเรียบเรียงหนังสือธรรมะหลวงตาแต่ท่านเทศน้อมาก ทันว่าให้ไปอ่านหนังสืองตาก็เพียงพอแล้วครับลูกศิษย์จะไม่จากเขารับครูบาอาจารย์จะไม่แสงหน้าแสงตาครูบาอาจารย์รปฏิบัติธรรมไปสู่ขั้นสูงในขั้นอรูปฌานผลกรรมที่ทำไว้ในแต่ละชาติก็จะเบาบางลงใช่ไหมครับไม่หรอกเหมือนเดิม แต่ถ้าเขาไปเป็นพงอย่างนี้ก็จะอีกนามใช่ไหมครับอาจารย์กว่ากรรมจะกลับมาตามฐานเขาใช่ไหมครับก็แสดงว่าบุญเขามากกว่าบาปเนเ่ยเขาก็เลยไปรับผลบุญก่อนแต่ถ้าวันใดเขาขี้เกียจนั่งสมาธิแล้วมุนบุญหมดไปก็อาจจะบาปที่ทำไว้มันอาจจะเป็นตัวนึงไปให้เกิดในอบายได้ กลับขอความรู้ในเมื่อมนุษย์เกิดมาเพื่อเผชิญกับความตายแล้วเราเกิดมาทําไมทําไมถึงต้องเกิดซ้ําๆเกิดมาแล้วสร้างกรรมต้องพัดภาคและตายลงครับอาจารย์พวความโง่ของเราเนี่ยไม่รู้่ากันเกิดเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องแก่เจ็บปานไม่รู้กันรู้เพียงแตว่าเกิดแล้วดีจะได้มีร่างกายไว้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่ใช่ที่มาเกิดกันกรรันก็แค่ น, นี่ยที่มาเกิดเพราะต้องการรูปเสียงกลิ่นรสต้องการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรั แต่ผู้ที่จะเป็นเครื่องมือให้กับการเสื่อมลึกเสื่อมเกิดแล้วได้ก็คือร่างกายมองเห็นแต่ด้านบวกแต่มองไม่เห็นด้านลบของร่างกายงานบวกก็ดีมีคุณประโยชน์ตอบสนองตัานาความยากเราได้แต่ก็มีโทษของมันก็คือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ไม่ยอมมองมองแต่ด้านบวกไม่ยอมมองด้านลบ ก, กัน คุณแม่เสียชีวิตไปเกือบห้าปีเต็มแล้วครับขณะที่ท่านเสียชีวิตอายุอายุ83ปีนะครับตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่กิจวัตรที่ท่านปฏิบัติมิเคยขาดคือการนั่งสมาธิและสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นมีศีลห้าเป็นมงคลของชีวิตด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่มีโรคประจําตัวใดๆความดันปกติน้ําตาลปกติยามที่ท่านเสียชีวิตท่านมีสติจบจนลมหายใจสุดท้ายบัดนี้เข้าใจแล้วว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิคือยาอายุวัฒนะที่ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายจิตใจ ลูกเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์คุณหมอเข็แนะนำว่าให้รักษารมหายใจมาอารมไปเหตุปใจหนึ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานอย่างที่คุยกันห้าอ่อนเนี่ยหนึ่งในห้าอ่อนก็คืออารมณ์ร่างกายป่วยส่งผลให้จิตตกซึมเศร้ากังวลจะมีวิธีใดช่วยได้บ้างครับ ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิเพื่จะได้ทํำใจแต่บอกแล้วจะได้ไ ม, ไม่ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายมากจนเกินไปการเรียนพระอาจารย์ครับในขันห้าเราพิจรน า, นารณาแล้วว่าเป็นทุกข์มองเห็นกระบวนการเกิดทุกข์ในขันห้าแต่ไม่สามารถมองเห็นไตรลักษณ์ในขันห้าเราควรต้องทําอย่างไรมีขั้นตอนอย่ไรจรึงจะเจตปัญญามองเห็นครับ ต้องดูพระเจ้าสอนให้พิจารณาร่างกายว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็คืออ น, นุจจังความไม่เที่ยงของร่างกายแล<ค>้วก็พิจารณาให้ว่าร่างกายนี้เราห้ามมันไม่ได้ ส, สั่ง ม, มัน ไ, ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามขระบวนการของมันคือมันไม่มีตัวตนที่จะมามาครอบครองร่างกายนี้ได้ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของใคร ข, ข้าต้องเห็นว่ามันไม่มีตัวตนนั้นเป็นธรรมชาติภาวะธรรมธรรมชาติ ที่มันเกิดแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันก็คือมันก็ต้องเกิดนล้วมันก็ต้องดับอันนี้คือการศึกษาตายรับเนี่ยถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่ดับเราก็จะทําความทุกข์นี้เกิดจากใจเราไปอยากให้มันไม่ดับแต่การไปอยากให้มันไม่ดับมันก็ไม่ได้ทําให้ร่างกายไม่ดับร่างกายก็ยังดับอยู่เหมือนเดิแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันดับ เรายอมรับว่ามันต้องตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแั่ใจเราไม่ยอมรับกันใจเรายังอยากอยู่ยังอยากไม่ตายกันจึงเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมยอมรับความจริงว่าต้องตายแล้วก็หยุดความอยากไม่ตายให้ได้พอหยุดได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ คุณแม่อายุเจ็ดสิบกว่าปีครับบวชชีแล้วควรจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดจึงจะเหมาะสมและดีที่สุดครับแต่ละคนต้องพิจารณาเองว่าการปฏิบัติอันไหนได้ผลดีกว่ากันอยู่บ้านกับอยู่ยวัดคิดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่างเดียวไม่เอาเกาะติดกับลมหายใจเข้าออกจะได้ผลน้อยกว่านะครับไม่หรอกไ ด, ได้ผลเท่ากัน จริงๆมันจำเป็นจะต้องผูกติดกันนะเห็นไหมบางทีคนคนอยากจะให้มีงานทําเยอะขึ้นจะได้ไม่เผอง่ายขึ้นก็นเลยผูกพุโทโธไว้กับลมแต่ถ้าเรามีสติ ด, ดีอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ได้อยู่กับลมอย่างเดียวก็ได้ก็พอได้ผลคืนดังก็จิตลมก็สื่อสมาธิได้เหมือนกันทำไมป้าจาย์เคยเทศ ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าวินยูชนเท่านั้นจึงจับเข้าใจและมีบารมีเข้าถึงอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยครับก็เป็นวิชาที่ยากต่อความเข้าใจของคนที่ขาดสติปัญญาเนี่ยคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้ต้องมีสติปัญญาเนีเช่นพวกหมอเนี่ยจะเข้าถึงไง่ายๆกว่าเพราะว่ามีสติปัญญาสามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายได้เพราะร่างกายเป็นของที่จะต้องแก่เจ็บตาย แต่คนที่ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นอันนี้ก็แสดงว่าจะเข้าไม่ถึงธรรมะของบจชายังมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นตายนะมองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆถูกความหลงครอบงาใจมองมองเห็นหน้ำมากเฉว่ามันเที่ยมมีเงินแล้วจะต้องมีเงินไปตลอดมีตําแหน่งนี้เราจะต้องมีตําแหน่งไปตลอดเอันนี้เป็นความหลงพวกนี้จะไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ถ้ายังไม่เห็นก็จะไม่สามารถเข้าหามาทำคาสอนของพระเจ้าได้เมื่ออารมณ์เข้ามามีสติรู้ตัวจนอารมณ์ดับไปต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับถ้ามันดับ ก, จก็จบเลยที่ต้องม ป, ปฏิบัติเพื่อทำใจให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆ คุณพัชรวัตรครับลูกกับเรียนถังหลวงพ่อทุกวันนี้ลูกปรารถนาที่จะกลับไปบวชอีกต้องการฝึกจิตของลูกเพื่อมุ่งสู่ความสงบที่แท้จริงลูกพิจารณาเช่นนี้บ่อยๆครับไม่เป็นกิเลสใช่ไหมครับไม่เป็นหลักความอยากไปบวชนี่เป็นธรรมเพราะว่านําไปสู่การดับทุกข์ความอยากอย่างใดที่นําพาไปสู่การดับทุกข์นี้นไม่ใช่เป็นกิเลสที่จะเป็นกิเลสก็คือความอยากที่นําไปสู่การสร้างความทุกข์ขึ้นมา การอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตนี่ยมันจะพาให้เราไปสร้างความทุกข์ขึ้นมากับใจเราทํางานบ้านแล้วสวดมนต์ดังๆไปด้วยให้แม่ที่ติดเตียงได้ยินด้วยว่าเราไม่ห่างไปไหนได้บุญบ้างไม่ครับหรือว่าได้บาปครับก็บแล้วแต่ว่าคุณมี้เขาถอยากจะฟังเราสวนหรือเปล่าก็ต้องถามคนที่เขาได้ยินว่าลาคลายไหม เราทำานก็จะได้ไม่ต้องไปส่งเสียงดังการสวนมนตนี่รับจริงสวดเพื่อตัวเราเองมากกว่าให้เรามีสติสูงหาใจได้ยางดีกว่าจะได้ไม่เป็สร้าความเดือดร้อนให้แกบผู้นถ้าชาติหน้ามีโอกาสเกิดเป็นคนอีกจะมีโอกาสพบกับพระพุทธศาสนาและจะสนใจการปฏิบัติเหมือนชาตินี้ไหมครับ การพอมกับพระพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานอยู่อานจานี้จะอยู่ได้กี่กี่ปีแล้วอันใหม่ที่จะมาเกิดนี่จะเราต้องรอเวลานานเท่าไหา่ถึงจะมีมาเกิดเพราะฉะนั้นจังหวะที่จะมาเจอและไม่เจอเนี่ยมันก็แล้วมันก็ซื้อรอตังนี่รถตังนี่เราก็ไม่รู้จะถูกก็ไม่ถูกบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกครับส่วนการสนใจการปฏิบัติก็อยู่ที่ถ้าเรามีนิสัยสนใจมันก็ยังเจ็ไปกับเรา ถ้าเราไม่มีนไม่มีนิสัยสนใจมันก็จะไม่ติดไปกับเราฌานจะเกิดขึ้นเมื่อใดครับเมื่อจิตหยุดคิดเรียนขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับคุณหมอให้ตัดสินใจว่าจะใส่ท่อหายใจให้พ่อไหมผมตัดสินใจให้รักษาแบบธรรมชาติประคับประคอง แต่พี่น้องคนอื่นให้รักษาแบบใส่ท่อและรักษาให้ถึงที่สุดผมแพ้โหวดพี่น้องครับจึงขอคําแนะนําครับก็แล้วแต่มาติของคนส่วนใหญ่นะก็คนเด็กเขาก็มีสิทธิ์ที่เท่ากันกับเราในวิธีการอยู่แลพ่อแม่ของเรายเวลาถ้าพ่อแม่สั่งให้น้องหน้าถามว่าอยากทำอะไรนะอันนี้ก็ต้องขอรับคาสั่งของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ั่นี่ก็อยู่ที่ พี่น้องลูกหลานลูกเต้าที่จะต้องมาปรึกษากันแล้วก็ลงคะแนนเสียงน่าจะเอาแบบไหนดีคุณหมอที่ไม่นิจฉัยให้แม่บางคนที่มีคันที่ไม่สมบูรณ์แล้วต้องไปทําแทง้งกรณีแบบนี้คุณหมอที่เป็นคนทําแท้งให้เป็นบาปไหมครับก็ทำให้ชีวิตเสียชีวิตขึ้นมาเพื่อนสติเพื่อน เขาจะขายบ้านหนีน้ำท่วมตามคำทํานายในปี73ไปอยู่จังหวัดที่คาดว่าน้ําจะไม่ท่วมอายุเยอะได้ไหมครับอนนท์ก็ไม่แน่นอนอาจจะท่วมก็ได้อา จ, จะไม่ท่วมก็ได้ก็แล้วแต่เราเราอยากจะทำอะไรก็ทําได้เป็นชีวิตของเราที่เราจะเลือกได้ก็เลือกไปตอนนี้ผมรู้สึกเครียดกับการที่จะสูญเสียที่ดินไปครับ ผมไม่อยากเครียดทําอย่างไรถึงกับจิตดีครับที่ดับความทุกข์ใจตรงนี้ได้ครับก็มองว่าที่ดินนี้ไม่ใช่ของเราเหกันที่ดินมันมีอยู่มาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วหลังจากที่เราไปแล้วมันก็ยังอยู่ต่อไปเราไม่สามารถเอาไปกับเราได้เวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาเั็นมาของเรามองให้เราเป็นสมบัติชั่วคราวเมื่อถึงเวลาจะต้องจัดก็ก็ต้องปล่อยถ้าไม่อยากจะทุกถ้าปล่อยก็จะไม่ทุก ลูกสาวเสียชีวิตทำมูนิธลงมันสงให้ในานามลูกสาวบุญจะถึงลูกไหมครับถ้าอุทิตไปก็ถึงเราจะฝึกใจอย่างไรให้ใจเรามีความเข้มแข็งชนะกิเลสทั้งปวงครับมันต้องฝึกด้วยสติก่อนมันให้สติทำจิตให้แนง่ายสงบให้ได้ แล้จิตเนื่องจากว่าจิตจะเป็นเหมือนก้อนหินัะไม่ค่อยหวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบแต่ยังหวันไหวได้อยู่เวลาออกจากสมาธิถ้าถ้าได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาจะรักษาการให้จิตไม่หวั่นไหวก็ต้องใช้ปัญญาขั้นต่อไปสอนจิตว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ขเขาจะมาทําอะไรกับเราเราข้ามเขาไม่ได้ถ้าเรายอมรับเราก็จะไม่หวั่นหว เ, นนเมื่อมนุษย์ตายไปแล้วเป็นเปรตหรือสัตว์ที่อยู่ในนรกภูมิเขาจะจําหรือระลึกได้ไหมครับว่าเขาเคยทกำกรรมไว้จึงต้องมาตกอยู่ในสถานที่แบบนี้ครับถ้าจําได้คงยังไม่เห็นคงไปคงไปตกกันแล้วกันส่วนใหญ่มันจะจําไม่ได้แม้แต่คนที่ไปติดคุกติดเ ร, าราือนังบางที่ก็ยังลืมได้เลยในการไปทำท่ำสร้ากอยู่เอ ทำไม่ได้ถ้าจําได้ก็ดีถ้าจําได้ก็ไม่มีใครกล้าทําบาปนี้ต่อไปปัญหาค็อมันจาไม่ได้ครับกรรมฐานทําให้จิตสงบแต่วิปัสสนาทําให้เกิดปัญญาขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าเกิดปัญญาอย่างไรครับคือคําว่ากรรมฐานนี่เป็นอารมณ์ที่สามารถจะใช้ทําให้จิตสงบก็ได้จะใช้ให้ เกิดปัญญาขึ้นมาก็ได้แล้วแต่ว่าเป็นกรรมฐานชนิดไหนเช่นถ้าเราใช้คำบาิกามพุโทโธนี้อันนี้เป็นชนิดที่จะทําให้ใจสงบอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เกิดปัญญาได้แต่ถ้าเราใช้ดูการสามสิบสองของร่างกายนี้เราก็จะใช้เป็นอารมณ์ให้ใหทําจิตให้สงบก็ได้หรือใช้อารมณ์ทำให้เกิดปัญญาคือความรู้ความเป็นจริงของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามก็ได้ ปกติถ้าเราไม่มองอาการฐาตุสองนี่เราจะมองเห็นร่างกายว่าสวยแม้งามกันแต่พอเรามองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังดูอาการฐาตุสองที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเราก็จะเห็นว่ามันมีอาการที่ไม่น่าดูเลยอย่าง น, นี้ก็เรียกปัญญาความรู้ปัญญาคือความรู้ที่เอามาใช้ในการดับความทุกข์เพราะว่าถ้าเราเห็นร่างกายไม่สวยไ ม, ม่งามความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมีแฟนมันก็หายไปอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนก็อยู่ได้ การจะรู้ว่ามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติคือถ้าทําแล้วสงบและมีความสุขอันนี้มาถูกทางแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละวันมันมีปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องงานสุขภาพทําให้มากระทบเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มองว่าเป็นอนิจจังถูกไหมครับก็ให้มองว่ามั น, มน อ, ยอย่าไปทุกข์กับมันแล้วกันเพราะมันเป็นอย่างนี้นะที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เลยทุกข์ เออแล้วนั่นมันเป็นอย่างนี้นีก็อยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าในองค์กรไหนบังคับให้หัวหน้าเอาพนักงานออกคนที่เป็นหัวหน้าจะเป็นบาปไหมครับมันก็ไม่บาปเพราะมันเป็นการทําหน้าที่มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเมื่อไม่สามารถที่จะมีเงินเดือนจ่ายเขาจะไหนก็อยู่ก็ได้แต่อยู่แบบไม่มีเงินเดือนก็ได้จะเอาไหม การปฏิบัติธรรมถึงขั้นทำมานุปัสนาจะหมดเวรกรรมไหมครับอาจารย์ถ้าหมดกิเลส ก, ก็หมดเวรกรรมนะแล้วไม่ต้องกลับมาเกาดอีกต่อไปถ้าไม่เกิดเวนกรรมก็จะไม่สามารถตามมาลงโทษได้เวลาพุโทโธตามลมหายใจแล้วรู้สึกอึดอัดครับจะแก้อย่างไรครับก็ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้เอลมอย่างเดียวก็ได้ นึใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้เมื่อ้อาทำสองอย่างจารชนะความง่วงนอนด้วยวิธีไหนครับในการที่จะปฏิบัติธรรมครับต้องลดการกินข้าวลงให้น้อยลองกินบริโภคอาหารให้น้อยลองเช่นวินข้าวเย็นเป็นต้นถือศีลห้าทุกวันไม่มีโรคสุขภาพแข็งแรงอั น, นจริงไหมครับอาจารย์ครับ มันไม่คนละเรื่องกันนะรักษาศีลนี่มันรักษาเพื่อใจไม่ได้รักษาเพื่อร่างกายแต่อาจจะเป็นผลพลอยได้ก็ได้ต่มันอาจจะไม่โดยตรงอาจจะโดยทางองทางใดทางหนึ่งโยมแม่อยากให้ศึกมานักษาตัวอาการหลังจากสโตร o ค, ครับแต่ตัวผมยังมีความสุขกับทางธรรมทำหน้าที่ของพระและโยมแม่ได้มาทําบุญทุกอาทิตย์ แต่ยโยมามาห่วงเรื่องป่วยอยากให้ศึกครับผมต้องทำอย่างไรดีครับก็ารที่เราเราก็ต้องกปนตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาอย่างไรคนที่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติทำท่า น, นใช้จิตรักษาร่างกายของตัวเองได้ถือว่าอยู่ในชาญชั้นไหนไหมครับไม่ได้หรอกการรักษา การเข้าฌานนี่เป็นการรักษาจิตให้ทุกข์ให้จิตแข็งแรงแล้วของร่างกายก็ต้องปไปตามเหตุตามปัจจัยของมันลูกสาวฝากถามครับว่าคนที่ตายแล้วดวงวิญ ญ, ญาณจะไปไหนเพราเพิ่งจะสูญเสียเพื่อนสนิทไปครับเพราะอย่างที่พูดมาถ้าทำบุญมากกระ บ, บ่าวก็ไปสวรรค์ถ้าบาหมามากกว่า บ, บุญก็ไปอบาย อาจจะไปกลายเป็นเดรัจฉานอาจจะไปตกนรกก็ขึ้นอยู่มาปที่ทำว่านาน้อยถ้าตัดสินใจไปบวชตลอดชีวิตโดยมีครอบครัวลูกเมียที่ต้องรับผิดชอบไปบวชแล้วจะเป็นบาปหรือว่าผิดไหมครับก็ต้องไมก็ต้องดูก่อนว่าเวลาไปแล้วเขาเดือดร้นอนหรือไมหรเราไม่วิธีบรรเทาความทุกข์ยากเนือดร้อนของเขาได้ให้เขาอยู่ต่อไปได้แล้วค่อยไป ไปแล้วเหมือนกับนบลาเลยปล่อยป้าหน้าที่ของเราอันนี้ก็ก็เป็นการทําความเสียหายให้กับผู้คนได้ก็ถือว่าไม่คนเป็นการกระทําที่ไม่ดีเวลาเดินจงกรมควรใช้บริกรรมพุโทโธไปด้วยหรือมิสติรู้กายขณะเดินดีครับทั้งสองแบบจะเข้าสู่วิปัสนาจะทําได้อย่างไรแตกต่างกันอย่างไรครับอการเดินจงกรมนี่ถ้าเราใช้พุโทโธแล้วใช้การดู การขึ้ื่อนไหวของร่างกายนี้เป็นการเจริญสติการเจริญสมาธิไม่ได้เป็นการเจริญวิปัสนาถ้าอยากจะเจริญวิปัสนาเราต้องพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายเช่นร่างกายเกิดราแล้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสนาขึ้นมาฟังธรรมะในติ๊กบอกว่าวงจิตเราดับแล้วเกิดใหม่ทันที แล้ววิญญาณในโลกนี้มีจริงไหมครับก็วิญญาณกับดวงจิตก็ตัวเดียวกันนะเวลาร่างกายตายไปดวงจิตก็กลายเป็น้ววิญญาณไปอยากทราบว่าเมื่อกําลังสวดมนต์อยู่แล้วมีพลังในช่วงสวดโดยที่มีความรู้สึกว่าฝนหัวลุกสู้ซามีพลังในช่วงถึงคําแปลบทสวดนั้นเทวดามาอนุโมทนาในการสวดใช่ไหมครับไม่ใช่หรอก มเป็นความเป็นติของเราเองสวดมนต์ในใจไม่ออกเสียงทำเช่นนี้ได้ใช่ไหมครับได้แม่พูดสอนลูกแต่ลูกไม่เชื่อฟังและบางครั้งมีเถียงแม่ควรปล่อยวางและคิดว่าอย่าห่วงคนอื่นมากกว่ากฎของกรรมถูกไหมครับเพราะแม่รู้สึกสบายใจมากครับถูกแล้ว เาไม่มีหน้าที่บอกเขาก็บอกเขาไปถ้าเขาไม่ฟังก็เราก็ต้องปล่อยปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมของเขากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันไหนบาปที่สุดครับคือการกระทากรรมนี้มันต้องมีมนโนกรรมเป็นผู้เริ่มต้นก่อนคือใจต้องคิดก่อนเมื่อคิดแล้วก็ต้องไปพูด พูดโกโหกอย่างนี้มันก็เกิดการกระทําบาปขึ้นมาผิดศีลข้อสามและ ข, อ 4, ขอ้อสี่ข้อสี่หรือว่าถ้าใช้เอททางกายกรรมไปขมโมยเงินของผู้อื่นมันก็มันก็ผิดศีลข้อสองนี้บาปจะหนักจะเบาก็อยู่ที่ชนิดของบาปที่เราทําบาปที่หนักในห้าข้อนี้บาปที่หนักที่สุดก็คือการฆ่ากอนเล่าลงมาก็คือการรับทรัพย์เล่าลงมาก็คือการประพฤติ ผ, ผิดในกาง เราละมา ก, ก็คือการโกรหกมันมีความหนักเบาตา่างกันไปโมโหง่ายโธสามากเป็นบาปไหมครับเป็นทุกข์ไม่บาปเป็นทุกข์ถ้าเรานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำทานหรือใส่บาตรเลยแบบนี้จะได้บุญไหมครับบุญบรอย่า บุญที่เกิดจากการทำทานนี่จะทำให้เรามีความรู้สึกอิกม่มอบใจใเวลาได้ทำบุญทำทานแล น, นั่งสมาธิถ้าจิตสงบเราก็ได้ความสุขได้บุญอย่า ง, างคนละอย่างกันหน่อยหนูทำงานดูแลผู้สูงอายุเวลาทำงานเราจับคนใช้มัดมือมัดขาเวลาคนไข้าอารวาสอย่างนี้เป็นบาปไหมครับเป็่บาปเราทำเพื่อป้องกันตัวเขาเองไ ห, ห้เขาทำร้าผู้อืนแล้วตัวเขาเอง ถ้าก่อนตายเซลล์สมองตายหรือไม่รับรู้แล้วจิตสามารถแยกกับกายได้เรายังสามารถสงบได้ใช่ไหมครับจะได้ตายอย่างสงบคือรู้ว่าต้องตายแล้วไม่ยึดติดครับมันต้องฝึกไว้ก่อนนะถ้าไม่ฝึกเวลาตายในหะ้มันอยู่ขั้นวิกตกกิจจิตใจจนะไม่มีสติสตางค์คิดให้ใจสงบได้ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนยังต้องซ้อมไว้ก่อนต้องเข้าสมาธิให้ได้ก่อน ถาเข้าสังขาเจอว่าจะตายก็จิตก็ทําใจให้สงบได้ถ้าไม่ได้ซ้อมมาก่อนก็ไมัมนไม่จะทํำยังไงให้มันสงบการดูกิเลสเกิดดับถูกแล้วใช่ไหมครับต้องหยุดกิเลสเนเห็นกิเลสเห็นโลภความโลภบอยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็ต้องหยุดมันเลยอยากจะไปดา่าอายากจะไม่ว่าคนนั้นดา่าคนนี้ก็ต้องหยุดมันไม่เกิดความโกรธขึ้นมา ตอนตายแม้แต่บุญที่เราทําก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมครับเพราะถ้าเราหวังไปเกิดในภพที่ดีก็ถือว่ายังมีการยึดติดเมื่อมีการยึดก็มีภพเมื่อมีภพก็มีชาติสรามรณาโศกปริเตวะทุกโทมานต์การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังคงอยู่ใช่ไหมครับคือการไปเกิดใหม่นี้มันอยู่ที่ติเลสความอยากมันไม่ได้อยู่ที่บุญบุญนี่ทําให้เราไปรับผลบุญเวลาที่ ร่างกายตายไปจิตก็จะไปอยู่ที่สวรรค์ก็อยากหรือไม่อยากเมื่อบุญมันมากกว่าบาบุญก็จะพาไปถ้าบามากกว่าบุญบาบุญก็จะพาไปอบายอันนี้ไม่ได้อยู่ที่การไปยึดไปติดหรือไม่แต่อย่างไรมันอยู่ที่เรื่องของเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เราได้สะส ม, มะ ไ, ไว้ทํากรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นวนการไปเกิดใหม่นี้ก็อยู่ที่ กิเลสตัณหาความอยากเป็นผู้พาไปถ้าเรากำจัดกิเลสตัณหาได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปถ้าเรารักษาศีลแล้วศีลจะรักษาเราใช่ไหมครับเราก็จะไม่ต้องถูกลงโทษเนี่ยถ้าเราไม่ทาผิดก็ไม่มีใครก็จะมาลงโทษเราแต่ถ้าเราไปทาผิดเราก็จะถูกคนหนึ่งเขามาลงโทษเราได้ การได้มาพบกันของบุคคลต่างๆในชีวิตเราแสดงว่าเราทําบุญร่วมกันมาใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะมันมีหลายสาเหตุนกันที่เราจะมาเจอกันอยู่นะถ้าขึ้นถ้าขณะขึ้นไปชั้นสองได้ครึ่งทางแล้วเหลือบไปเห็นเฉพาะเท้าคนเดินไปเดินมาถึงสองครั้งแต่ไม่มีคนที่นั่นควรจะทำอย่างไรครับ ว็าเจ็ดหลอนเดินสติกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติอยู่ในปัจจุบันจะทำอย่างไรตายแล้วถึงจะไม่ไปอบายครับาะต้องทำบาปน้อยกว่าทำบุญหรือไม่ทำบาปเลยถ้าไม่ทำบาปเลยก็ไม่ต้องไปอบายอย่างแน่นอนไม่ต้องอาศัยบุญช่วยแต่ถ้ายัางทาบาปอยู่ก็ต้องอาศัยบุญช่วยให้ดึงไว้ไม่ให้ไปอบาย ถ้าบุญยังมากกว่าบาปอยู่บุญก็จะเดิงไว้ไม่ให้ไปอบายได้แต่ถ้าบุญน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่บาปก็จะเดินไปอภัยทันทีการภาวนาปฏิบัติสมาธิมีวิธีแบบสอบเทียบหรือพักชั้นเหมือนตอนเรียนไหมครับมันเป็นการกินข้าวมากกว่ามันการกินข้าวกินข้าวมากกินข้าวน้อยก็จะอิ่มมากอิ่มน้อย นั่งสมาธิถ้า ม, มีสติดีมากก็จะสอบได้ง่ายได้นานถ้ามีน้อยก็จะสอบได้น้อยได้ยากอาจารย์ครับพี่คนที่ถามเรื่องที่ดินบอกว่าตอนนีจิตผมสว่างแล้วนะครับเกี่ยวกับที่ดินปล่อยวางความทุกนี้ได้แล้วครับโอยสาธุสาธุคิดได้ก็สบายเลยใช่ไหมครับอาจาร ย, ย์ ก็มันเอาไปไม่ได้แผ่นดินี้ครเอาไปได้นะคนไม่มีครับก็บมาเป็นสมบัติพาเกินชมไนะครถ้ามีคนต่อว่าเราในลักษณะที่สามารถดำเนินคดีทางกฎหมายได้ถ้าเราดำเนินการเพววื่อความถูกต้องทางกฎหมายควรวางจิตอย่างไรไม่ให้มีเวรมีกรรมต่อกันครับ ถ้าเราไปทําทํากับเขาเขาค่อยมีเวรมีกรรมกับเราถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกันเราก็โอโหสิกรรมกันไปเวรย่อมไม่ละลับด้วยการจําเวรแต่เวรย่อมระลับด้วยการไม่จําเวรเราจะตัดไปอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะมีเวรก็อย่าไปจอาเวรกันใครก็ทําร้ายเราพึ่งอะไรเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ต้องไปฟ้องร้องกันทำไมนี้ฟ้องร้องกันเป็นบ้าเป็นบอยเลยคอมเมนกันหน่อยก็โดนฟ้องกันะครับ ทงสารสารก็เมันต้องทำอะไรมันดาเนินเรื่องคนคนทะเลาะกอันนี่ก็เหนื่อยนะไอ้นั่นที่เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆไม่ไม่มีเท่าไหร่คนที่เคยทำแท้งจะทำบุญอย่างไรให้บาปนั้นบรรเทาวบาางลงได้ครับก็น่าทำบุญให้มากกว่า บ, บาป จากคณิกะสมาธิทุกคนจาเป็นต้องผ่านอุปจาระสมาธิหรือเปล่าครับเราสามารถค่อยๆมีจริงที่มีพลังและผ่านได้อัปปนาเลยได้ไหมครับอุปจาระนี่ไม่ได้ไม่ต้องผ่านเวลาทำสมาธิได้คณิกะหรืออัปปนานี้ไม่ได้ผ่านอุปจาระอุปจาระตามมาหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิมากกว่าพอจิจสงบแนละ้วไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่กับเบขา ออกไปเรารู้เรื่องเราต่างๆมีตาทิพูทิพขึ้นมาเนี้อันนี้เรียกว่าอง์ประจารสมาธิซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนที่ทําสมาธิคนมีเฉพาะคนบางคนนะ้ะที่มีมีวาสนาในทางนี้แต่ก็ไม่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนาเพื่อดับกิเลสได้แต่อย่างใดฉะนั้นถ้าไม่มีสมาธิประเภทนี้จะดีกว่าฉะนั้นไม่ไม่ปฏิจจ์กับสมาธิแบบนี้ นะถ้ามีสมาธิแบบนี้น้ามีครูบาอาจารย์สอนก็จะหลงคิดว่าเป็นสมาธิที่พิเศษมั่นลึกชาติได้ติดตามประเวาได้แต่มไม่สามารถมาช่วยดับความทุกข์ของใจได้ต้องใช้สมาธิแบบอัปปนาก็คือต้องดึงใจกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิด้วยสติอย่าปล่อยให้ออกไปไปไปเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในโลกทีศ ใช้สติหนึ่งกลับได้ให้อยู่เฉยๆไม่ให้ออกไปเที่ยวถ้าสดมนเรียบร้อยแล้วแผ่เมตตาให้ลูกให้หลานพี่น้องบริวารบุญนี้ทุกท่านจะได้รับด้วยไหมครับไม่ได้แล้วคุณพ่อเพิ่งเสียได้หนึ่งสัปดาห์ครับก่อนท่านเสียลูกตัดสินใจไม่ใส่สายให้อาหารแต่พอท่านเสียก็มาคิด ว่าเราทำถูกไหมที่ไม่ยื้อท่านไวเพระท่านอายุ95แล้วลูกคิดถูกหรือไม่ครับก็การปล่อยให้ท่านอยู่ตามธรรมชาติดีที่สุดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปการที่คนไปบวชถือศีลแปดที่วัดหลายคืนแล้วกลับมาดื่มเบียร์เกือบทุกวันแล้วเคยแทงลูกไปสามครั้งอย่างนี้แสดงว่ามีกรรมใช่ไหมครับ ก็มีบาปชอบยังชอบทำบาปอยู่เวลาที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยบริกรรมพุโทโธแต่ช่วงเวลาที่หายใจออกสุดแล้วยังมีระยะเวลาว่างช่วงหนึ่งก่อนที่จะเริ่มหายใจเข้าซึ่งช่วงนั้นไม่มีคำบริกรรมพุโทโธแล้วเราจะยึดอะไรได้ครับก็ ย, ยึดลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุโทโธอะไรก็ได้ เวลาใส่บาทแล้วของที่ใส่พระไม่ได้ฉันอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ของที่เราให้ไปแล้วเนี่เรานได้บุญหมดนะแต่ของเขาจะไปฉันเ็ไปใช้หรือไม่ี่มันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเพราะมันได้เป็นของของเราแล้วมันเป็นของผู้รับนะผู้รับเขาจะไปทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของผู้รับไปคนที่คอร์รัปชันเอาเงินมาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญไหมครับ ได้ได้บุนขอรับชั่ก็ได้บาปมันกม็มองเงินก็มาทำบุญเนี่ยถ้าถอว่าเคเือได้ศูนยนะคือบาปก็ดับบาปก็ได้บุญก็ได้มันก็มาตัดกันก็เหมือนกัไม่ไม่มีผลนั่นใด่ว้อยู่เฉยดีกว่าถ้าจะทำอย่างนี้ครับหมอพระอาจารย์ครับช่วงห้าปีที่แล้ว สูญเสียทุกอย่างโดยเสียทีละอย่างเริ่มจากโดนโกงทําให้บ้านโดนยึดโดนขโมยทรัพย์สินตามมาด้วยเสียสามีเสียคุณแม่ตลอดเวลานั้นหนูเพียรปฏิบัติธรรมจึงทําให้ไม่มีความทุกข์หนักระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นเลยขณะนี้ทํางานตามปกติไม่เครียดแต่อย่างใดอีกครั้งก็งเริ่มสะสมเงินทองได้จากที่เป็นหนี้ตอนนี้เริ่มโปรง่งขึ้นแล้วครับอย่างนี้ถือว่าเป็นผลของการก้าวหน้าในการปฏิบัติไหมครับ ถ้าเราไม่ถูกข์ก็ถือว่าแก้วหนะานนเราว่าที่ความทุกข์เวลามีเหตุการณ์ต่างๆมันกระทบกับใจเราถ้าใจเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่ δ δ าใจเรากาหนาเพราะการปฏิบัติธรรมก็เพื่อการกำจัดความทุกข์ในใจนี้เท่านั้นเองการที่เห็นคนเป็นเป็นบนรถไฟเป็นซากศพแล้วกลับมาเป็นคนเหมือนกับที่เห็นปกติอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับก็เราพิจารณาทางปัญญาไย เห็นว่าคนที่เป็นทุกวันยังก็ต้องตายถ้าทำบุญให้ปู่ย่าตายายถ้าท่านไปเกิดใหม่แล้วบุญตัวนี้จะไปไหนครับมันกลับม า, าเราใส่บาทที่วัดต่างจังหวัดสงสารเนนน้อยครับเลยใส่ปัจจัยไปบ้างอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับแล้วแต่วัดว่าเขามีกฎห้ามหรือไม่ห้าม องค์วัดเก็อนุญาตให้รับรับปัจจัยได้ใส่ไว้ในบาบได้องค์ัดเขาก็ไม่ให้เขต้องดูว่าวันวันไหนก็มี้องทเนี่ยแบบใหนแต่คนให้ไม่บาปหรอกแต่คนรับเนี่อยากจะทําผิดกฎระเบียบของวัดเท่านั้นถ้าสวดมนต์เสร็จแล้วนําบุญนี้ไปฝากลูกๆขออนุโมทนาบุญด้วยลูกจะได้บุญด้วยไหมครับไม่ได้เลย รู้สึกไม่ค่อยมีสติสมาธิน้อยครับไหลไปดูโซเชียลมีเดียเยอะควรทําอย่างไรดีครับก็มันจะรั้นญเดเ บ, บ่อยๆเมื่อตากขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงพวกโซเชียล ต, ต่างๆพ อ, อไปคิดแป๊บมันก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีพอมันคิดแป๊บเราต้อใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดมันพ อ, อเราอยู่กับพุโทโธความคิดที่อยากจะไปเล่นโซเชียลมีเดียก็จะหายไป เราไม่สติค่อยคอยเกิดกั้นความอยากการสวดอิติปิโส ต, ต้องมากกว่าอายุหนึ่งจบแต่ถ้าเราสวดไม่ถึงจะได้ไม่ครับหรือว่าควรจะสวดอย่างไรครับอ๋อไม่มีกําหนดตายตัวจะสวดมากสวดน้อยก็ได้สวดมากก็จะได้สติได้ความสงบมากสวดน้อยก็ได้ควมาสวมาสงบน้อย โยมมีบุตรชายเรียนอยู่มหาวิทยาลัยครับเขาจะลาออกเพื่อไปบวชเพราะจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากใบปริญญาและเขาได้พูดถึงสลัจาคะด้วยครับโยมขอให้เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยบวชแต่เขายืนยันจะลาออกและสัปดาห์นหน้าเขาต้องไปใช้สิทธิผ่อนผ่านทหารแต่เขาปฏิเสธและจะจับใบดําใบแดงเลยโดยบอกว่าถ้าได้ใบแดงก็ยอมรับได้ขอขอความเมตตาพระพรถามสข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับ การกระทําของลูกชายเป็นการสละจาคะที่ถูกต้องหรือไม่เด็กควรสละอย่างไรถึงจะถูกต้องครับก็เป็นการสละแบบหนึ่งที่ไม่ได้ทำได้ไปตลอดนอดฝั่งหรือเปล่าท่านเองอาจจะไปบวชได้เดือนสองเดือนก็ อ, อาจจะเปลี่ยนใจกลับมาอยู่ในเพศคารวาตใหม่ก็ได้อันนี้ต้องดูเวลาท่านจึงพิสูจน์ได้ว่าสละจริงหรือไม่สละจริง ข้อที่สองครับการที่บุตรชายจะจับใบดำใบแดง ท, งทั้งที่มีสิทธิผ่อนผันมีข้อความมาแค่นี้ครับอาจารย์เดี๋ยวผนมะส่งเข้ามาอีกคำถามนี้เขาเคยถามมาสองครั้งในเนงานในงาสแสดงทวตอบคำถามทีนท่นดาปกติเนี่ยส่งมาใหม่นะครับพี่ครับกำหนดลมหายใจดูลมที่ดั้งจมูก กับเพ่งความว่างเปล่าตรงกลางหน้าผากคนรับจะเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนมากกว่าส่วนใหญ่จะต้องดูงมันถึงจะสงบเอาไปเพ่งที่หน้าหน้าหนาผากนี่ไม่เคยได้ยินว่ามีมีวิธีนี่นะนก็ไม่แน่ใจว่าทําถูกหรือมเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราสวดมนต์อ่านไม่ทนันสะกดผิดสวดมนต์ออกเสียงผิดอย่างนี้เราจะเป็นบาปไหมครับไม่บาป ถ้าพ่อแม่ไม่สนธรรมะจะทําอย่างไรดีครับเรื่องของเขาครับช่วงอายุยี่สิบกว่าได้ไปวัดวัดหนึ่งแล้ว <c oughs> เห็นมีการปรับปรุงสร้างเรือนกว้างขวางให้ประสงค์ด้วยไม้สักจึงได้คุยกับเพื่อนว่าวัดไม่ควรนําไม้สักมาทําด้วยวัยวุฒิที่ไม่ถึงไม่ทราบว่าบาปหรือไม่ครับที่พูดไปแบบนี้ ถ้าไม่คนจะพูดก็อย่าพูดได้เรื่องไม่ใช่ของเราคุณแม่ตายแล้วพ่อรักแม่มากพ่อยังเก็บกระดูกไว้ที่บ้านพ่อสวดมนต์ให้แม่เอาดอกไม้เอาน้ําให้แม่อย่างนี้เราจะต้องทําอย่างไรดีครับไม่ต้องทําอะไรมันเรื่องของพ่อเขาคนเดียวการบริกรรมพุทโธบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ชัด เลยพยายามปรับให้ท่องเป็นจังหวะบ้างหรือกำหนดพุดโทโธไว้จุดต่างๆที่กำหนดได้ชัดกับเรียนสอบถามว่าเราควรใช้วิธีบริกา ร, รพุโทโธอย่างไรดีครับเพราะถ้าบริกา ร, รเฉยๆรู้สึกว่าสติหลุดจากําบริกรรมง่ายมากครับควรจะบริกรรมอย่างไรครับเราไม่ทราบเหมือนกันนะบริการรม้นกบริการอนะ่รอย่างไรก็ไม่รึกถึงคําพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเท่านั้นเองมันจะยากเย็นตรงไหนเลย แม่บอกอะไรแล้วเราไม่ค่อยฟังอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเพียแต่เราจะไม่ได้รับความรู้เมื่อมีความปรรถนาดีท่านจะมีความรู้สอนเราแต่เราไม่ฟังเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ถ้าคนสนิทกันกันกบเราเราไว้ใจเขามากมากแต่เขาโกหกเราบ่อยๆเราก็รู้ทุกครั้งแต่ไม่พูดแล้วก็เริ่มไม่วางใจเขาอีกแล้ว เราจะวางใจอย่างไรในเมื่อต้องอยู่ด้วยกันต่อไปครับก็อยู่แบบนี้แหละลูกทันเขาแล้วกันมว่าเขาหลอกเราจะได้ไม่ถือเขาหลอกคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วครับแม่อยากเกิดเป็นลูกแต่บอกแม่ไปว่าไม่อยากเกิดแล้วไปเกิดเป็นลูกคนอื่นเถอะอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับไม่บาปแล้วมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วพูดไปกเป็นความคิดเท่านั้นเอง ไ well, ม่สามารถทําเป็นความจริงขึ้นมาได้การทําบุญเพื่เม้งของคุณได้บุญนหมครับก็ได้ความอตันอยู่การไปแสดงความอตันอยูนํามนึกถึพคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาน่าเป็นเกดเป็นโอกาสให้ญาติพี่น้องมาเราพ่ป้ากันเพื่อจะได้อยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีเป็นเป็นพลึดเป็นกาลังพวลามีเหตุการณ์เาจะได้ช่วยเหลือกันได้ ไม่มีเราคือต้องวางใจอย่างไรครับให้รู้เฉยๆให้ด่าก็ให้รู้เฉยๆไม่มีเราไปออกไปรับอย่าไปรับคำด่าว่าอย่าไปรับคำชมของเขาให้รู้เฉยๆแสดงว่าไม่มี reaching, มมมเราถ้าไปรับนะไปดีใจเพราก็ไม่มีเราออกไปรับไปเสียใจเพราะก็แสดงว่ามีเราออกไปรับแล้วถ้าไม่มีเราก็ต้องเฉยๆไปใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยรู้เฉยๆไป พระวัดแถวบ้านท่านแก่มากแล้วครับเดินบินธบาตไม่ไหวท่านนั่งรถท่านนั่งรับบาตรแถวตลาดแบบนี้ผิดไม่ในสงฆ์ไหมครับไม่ผิดหรอกถ้าท่านเดินไม่ได้ก็ไม่ผิดการล้างปา่าช้าคนร่วมช่วยกันขุดหลุมนํากระดูกทําความสะอาดรอเผาอย่างนี้เป็นบุญอะไรครับก็ได้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นความไม่สวยงามของร่างกาย เมื่งกายในเก็ต้องกลายเป็นโครงกระดูกไปกำลังสวดมนต์อยู่แต่จิตใจวกแวกแบบนี้จะแก้อย่างไรครับก็ต้องจดใจ อ, อย่ับการสวดสวดช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะโมตัสสะภะควะโตไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อน โยมลองอดข้าวหนึ่งมือ้ออยากสู้กับกิเลสอดได้สําเร็จครับวันรุ่งขึ้นอาเจียนทานข้าวไม่ได้เลยเป็นโรคกระเพาะต่อแสดงว่าโยมสติไม่พอไม่เหมาะกับการอดอาหารใช่ไหมครับก็ไม่น่าจะว่าเป็นผลจากการอดอาหารนะว่าเป็นผลก็คงจะต้องมางับไป เราให้คนป่วยติดเตียงอนุโมทนาบุญโดยการพูดตามเราแล้วไปนําไปใส่บาตรเขาจะได้บุญด้วยไหมครับต้องเป็นของเขานะเป็นคําสั่งของเขาเขาต้องเป็นคนสั่งว่าช่วยเอาเงินที่ไปซื้ออาหารชุดมันถวายพระแล้วก็เราไปซื้อมาแล้วก็ให้เขาจับแล้วก็อธิษฐานจิตเองเขาก็จะได้บุญไหนต้องเป็นเ ง, งเเินของเขาเป็นความคิดของเขาเองไม่ใช่เราอยู่ดี ไปซื้อของมาแล้วให้ก็จับนะบอกเอาไปใส่บาทนะเขาไม่ได้บุญเลยนอกจากบุญที่อนุโมทนาเทอะเองนแต่ไม่ได้บุญที่เกิดจากการให้เคยผ่าตัดแล้วพยายามคิดถึงบุญที่เคยทําทั้งๆก็ทําบุญบ่อยแต่คิดไม่ออกครับคิดถึงแต่กรรมที่เคยสร้างครับอาจารย์เพราะว่าอาจจะทํากรรมมากกว่าทําบุญ เป็นผู้ชายบวชหลายครัง้งดีไหมครับเพราะโบราณบอกว่าชายสามบวชมันไม่ดีครับไม่ดีอ่ะควรจะบวชครั้งเดียวแล้วแบบไม่เสร็จเหมือนถึงยันดีที่สุด ก, การเดินจงกรมโดยเดินท่าทางแว่งแขนปกติแต่ให้มีสติรู้กาวว่ากําลังเดินภาวนาไปด้วยแบบนี้ได้ไหมครับไม่ควรเพราะการเดินจงกรมนีม่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ควรในอากาศกิยาที่ให้ให้ความคลนองน้อมคือสำรวมการสำรวมไม่ดินแก่งแต่งมือไปมันนักเดินเดินนี่ไม่ไม่ควรเดินนั้นหรือเอามือคขว้หลังก็ไม่ควรเพราะเป็นเจ้านายเดินแบบเจ้านายครับแล้วต้องงานเดินแบบผู้น้อยต่อหน้าผู้ใหญ่มันจะดูสวยงามกว่า เคยผ่าตัดแล้วพยายามที่อ่อนนิยไปแล้วครับใส่บาตรแล้วเอาแบงค์รัดกับขวดน้ําใส่บาตรถวายพระแทนของสังฆทานอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับเราไม่บาปหรอกแต่พระจะผิดไม่พระวินัยถ้ า, ถ า, ถาท่านไม่รับกับมือท่านไปรับแท่านก็ผิดพระวินัยไปแต่ถ้าท่านไม่ไม่ถือข้อนี้ท่านรับได้เราจําเป็นต้องแผ่กุศลให้ผู้ล่วงรับ พระภูมิเจ้าที่สามพเวสีทุกครั้งที่ตักบาตรหรือไม่ครับแล้วแต่เราเราอยากจะแผ่ก็ได้เราไม่แผ่ก็ได้อุทิศบุญก็ได้ไม่อุทิศก็ได้แล้วแต่เรามีญาติผู้ใหญ่อายุแปดสิบต้องเจ็บปวดจากโรคมะเร็งครับจะช่วยพูดแนะนำอย่างไรให้ญาติไม่ทุกข์ใจมากกับการปวดครับก็ต้องให้เขามาถามเราก่อนถ้าดีๆเขาไม่ถามเราก็อย่าไปพูดเลย การบริจาคร่างกายจะได้บุญแบบไหนครับก็แล้วแต่ว่าเราบริจาคตอนไหนถ้าตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่ได้บุญเลยถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่เรามปชีวิตอยู่เช่นบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีความสุขใจขึ้นมาที่เราได้เสียสละของมีค่าของเราให้กับผู้อื่นต้องต้องทำในขณะที่มีชีวิตอยู่ถึงจะได้บุญถ้าทำแล้วตับตอนที่เราตายไปแล้วจะไม่ได้บุญ คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเ อ, อมีญาติที่พ่าตัดอยู่อาการยังไม่ดีถ้าเราสวดมนต์ภาวนาช่วยเขาจะได้ไหมครับไม่ได้หรอกเรื่องของร่างกายต้องให้หมอช่วยเรื่อ ง, งจิตใจเราต้องสวด ข, อ ง, ของเราเองก็ต้องภาวนาเองคนอื่นทำแทนไม่ได้อาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆชมอยู่ในโเฟซ 475้อยเจ็ดสิบห้าคนครับในยูสี่ร้อยแปดสิบแปดครับห้าครับในติกตอกห้าร้อยหกสิบห้าครับรวมหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบสาคนนะครับอาจารย์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในนถแห่งธรรมที่ชนะรถทรรมปวงการสนท น, นาธรรมตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำาอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปเพิพิจนารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาคุณบอกแลวท่านผู้ชมผพ้่ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุจำเอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในที่หน้าขอเจริญพรขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ